เจ็ดสัปปานกัวว์ห้าูนาวีสติวัตสสิกขาบทว่าด้วยการอุปสมบทให้บุคคลมีอายุยันกว่า20ปีเรื่องเด็กชายอุบาลี402สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืครั้งนั้นในกรุงราชครืมีเด็กชายผู้เป็นเพื่อนกัน17คนเด็กชายอุบาลีเป็นหัวหน้าของเด็กเหล่านั้น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 ถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาคำนวณด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราร่วงลบไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบาย Curiosity. และไม่ลำบากและวิโตกอีกว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาคำนวณก็จะแน่นหน้าอกถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาเกี่ยวกับการเงินด้วยวิธีอย่างนี้เมื่อพวกเราร่วงลบไปเจ้าอุบาลีจะอยู่สุขสบายและไม่ลาบากแต่ก็วิตกอีกว่าถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาเกี่ยวกับการเงินในตาของเขาจะปวด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 เธอทั้งหลายรอให้สว่างเสียก่อนถ้ามีข้าวต้มพวกเธอจะได้ฉันถ้ามีข้าวสวยพวกเธอจะได้ฉันถ้ามีของเคี้ยวพวกเธอก็จะได้เคี้ยวแต่ถ้าข้าวต้มข้าวสวยหรือของเคี้ยวไม่มีพวกเธอต้องเที่ยวบิณฑบาตมาฉันพิกษุใหม่เหล่าน <com> ั <com> ้นอันภิกษุทัああ้งหลายกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังพากลร้องให้ว่าท่านทั้งหลายโปรดให้ข้าวต้มโปรดให้ข้าวสวยโปรดให้ของเคี้ยวเถิด พาการถ่ายอุจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างรถเสนาสะนะพระผู้มีพระภาคทรงตื่นบรรทมเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีได้ทรงสดับเสียงเด็กครั้นได้ทรงสดับแล้วจึงตรัสกับท่านพระ อ, อ น, นุ์ว่า อ, อ น, นุ์เสียงเด็กร้องให้เพราะสาเหตุใดหรือที่นั้นท่านพระ อ, อ น, นุนได้กล่าบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ